ผลทพะความสัมผัสถูกต้องทางกายที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกที่รู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนานาไกลนาพอใจชวนให้รับชักให้ใกล้พาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดสิ่งทั้งปวงนั้นอยู่ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ไปสู่ที่อยู่ของมารไปสู่อำนาจของมารถูกบวงมาครคล้องไว้ถูกเครื่องผูกของมารมัดไว้ถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาส่วนภิกษุใดไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปเป็นต้นนั้นภิกษุนี้บอกเล่า ว, ว่าพ้นแล้วจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นนั้น ไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ไปสู่อำนาจของมารไม่ถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาว่าด้วยการถึงที่สุดแห่งโลกภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดแห่งโลกคือจั ก, กรวาล น, นี้พึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไป แต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้โลกในที่นี้คือสังขารโลกครันตรส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธาฏเข้าไปอย่างพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศ คือบทมาติกาหรือหัวข้อธรรมสรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อจึงพากันเดินทางไปหาท่านพระอานนท์เพื่อขอให้แจกแจงเนื้อความนั้นโดยพิสดารแม้ท่านพระอานนท์จะบอกให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมอยากจะฟังคำตอบจากท่านพระอานนท์โดยที่สุดท่านพระอานนท์ จึงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายในคราวนั้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยธรรมะใดนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยคือบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยจักขุด้วยโสตะด้วยคานะด้วยชิวหาด้วยกาย ด้วยมโนเหตุที่บุคคลมีความหมายรู้และกําหนดหมายโลกว่าเป็นโลกนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยท่านพระอานนท์กล่าวว่าท่านรู้ข้อความแห่งอุเทศที่ทรงแสดงไว้โดยย่อให้พิสดารได้อย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเมื่อหวังรู้มากกว่านี้ก็ขอให้ไปเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจึงเดินทางเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานอน์เป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเธอทั้งหลายจะพึงถามเนื้อความนี้กับเราถึงเราเองก็พึงตอบเนื้อความนั้นอย่างที่อานอน์ได้ตอบแล้วนั่นเองนี้แลเป็นเนื้อความแห่งอุทเทศนั้น และเถอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดว่าด้วยกรมคุณภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่ากรมคุณห้าประการที่ใจของเราเคยสัมผัสล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้ว จิตของเราเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในกามคุณห้าประการที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่ากามคุณห้าประการที่ใจของเราเคยสัมผัสล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วเราผู้ต้องการประโยชน์ตนพึงทำความไม่ประมาทในกามคุณห้านั้นและทำให้สติ เป็นเครื่องรักษาจิตเพราะเหตุนั้นแหลกามาคุณห้าแม้ที่ใจของเธอทั้งหลายเคยสัมผัสก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วจิตของเธอทั้งหลายเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในกามาคุณห้าประการที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยเพราะเหตุนั้นแหลกามคุณห้า แม้ที่ใจของเธอทั้งหลายเคยสัมผัสก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วเธอทั้งหลายผู้ต้องการประโยชน์ตนพึงทำความไม่ประมาทในการมาคุณห้านั้นและทำให้สติเป็นเครื่องรักษาจิตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลบุคคลพึงรู้อายตนะคือพึงรู้อายตนะว่า จักขูดับในที่ใดรูปสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในรูปนั้นก็ดับในที่นั้นพึงรู้อายตนะว่าโสตดับในที่ใดสัทธสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในเสียงก็ดับในที่นั้นคานะ ด, ดับในที่ใดคันทสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในกลิ่น ก็ดับในที่นั้นพึงรู้อายตนะว่าชิวหาดับในที่ใดราัทสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในรถก็ดับในที่นั้นพึงรู้อายตนะว่ากายดับในที่ใดโพธพภัสัญญาก็ดับในที่นั้นพึงรู้อายตนะว่ามโนดับในที่ใดธรรมสัญญา ความจำได้หมายรู้ในธรรมารมณ์ก็ดับในที่นั้นตรัสหมายความถึงความดับอายตนะหกประการว่าด้วยเท้าสักกะทูลถามปัญหาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทรับอยู่เขตกรุงราชครืครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทศเสด็จเข้าเฝ้า ทูนถามดังนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่เปรินิพานในปัจจุบันและบางพวกเปรินิพานในปัจจุบันทรงตอบว่ารูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่ารักน่าใครพาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ วิญญาณที่อาศัยตันหานั้นความยึดมั่นตันหานั้นก็มีอยู่ภิกษุผู้ยังมีอุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นย่อมไม่ปรินิพพานและโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผลถภะที่พึงรู้แจ้งทางกายและธรมมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจ ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดในสิ่งทั้งปวงนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นความยึดมั่นตัณหานั้นก็มีอยู่ภิกษุผู้ยังมีอุ ป, ปาทานย่อมไม่เปรินิพพาน นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันส่วนภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปเป็นต้นนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นก็ไม่มีความยึดมั่นตัณหานั้นก็ไม่มีภิกษุผู้ไม่มีอุ ป, ปาทานยอมปรินิพพานท่านจอมเทพนี้แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในปัจจุบันว่าด้วยสัตวิหาริกของพระสาวรีบุตรนกรุมสาวทีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรแจ้งเรื่องที่ภิกษุผู้เป็นสัตวิหาริกบอกคืนสิกขากลับมาเป็นข้ารือหัดแล้ว ท่านพระสาวรีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุภิกษุไม่กุ้มกรองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆย่อมเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ประพฤติอย่างนั้นจกสืบต่อพรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุ ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่เนืองๆจกสืบต่อปรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จนตลอดชีวิตภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสารวมจกักขุนสี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและโทมนั์ความทุกข์ใจถูกครอบงาได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีรวบถือหมายถึงมองภาพรวมเห็นเป็นหญิงเป็นชายเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอม รสอร่อยเป็นต้นแยกถือหมายถึงมองแยกแยะเป็นส่วนๆไปด้วยอำนาจกิเลสเช่นเห็นมือเท้าว่าสวยหรือไม่สวยเห็นอาการยิ้มแย้มหัวเราะ ก, การพูดว่าน่ารักหรือไม่น่ารักและโดยในยะเดียวกันภิกษุเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถุกต้องผลทพะทางกาย รู้แจ้งธรรมอารมณ์ท้งใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกอภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์ถึงความสำรวมในอินทรีย์ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ภิกษุ ชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อหมเมาไม่ใช่เพื่อประดับเพื่อตกแต่งข้อนี้คือไม่ใช่กินเพื่อให้ร่างกายตัวเองดูดีแต่ฉันเพียงเพื่อความด่มรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้ เพื่อกำจัดความเบียดเบียนคือความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรมมรรจันด้วยคิดเห็นว่าเราจักกำจัดเวทนาเกา่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่อาสุขจักมีแก่เราภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แหลภิกษุ ชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่เนืองๆ เ, เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชราระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชราระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจ ร, ราชสี โดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมชิ ม, มะยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิ ม, มยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ เ, เป็นอย่างนี้แหล เพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองผู้มีอายุท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แหล่ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุน นากรุงสวัฏถีพระผู้มีพระภาคทรงรำพึงขึ้นว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนำราหุลในธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นทรงมีรับสั่งเรียกท่านพระราหุลเข้าเฝ้าตรัสถามดังนี้ว่าราหุลจกขูกเที่ยงหรือไม่เที่ยง ทูลตอบว่าไม่เทียงก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์มีความแพรผันเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะและโดยนัยยะเดียวกันรู จักขุจักขุสัมผัสแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยสิ่งทั้งปวงนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่กวนพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ทรงถามด้วยนัยเดียวกันกับเรื่องของจักขุและรูปคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพภะและธรรมารมณ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นเป็นปัจจัย สิ่งทั้งปวงนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความประภันเป็นธรรมดาไม่ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในจักขุเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นและธรรมจักสุขอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เทวดาหลายพันตนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา